ก็ความในสุตตานิบาตคัมภีร์คุธการนิกายมานันนี้มาขึ้นคาถาที่ห้าคัคคาวิสานสูตรเนี่ยในหน้ า, 8, า, านหนึ่ง้อก็ความในอัตถกถาคัคคาวิสานสูตรกล่าวาาว่าได้ยินว่าพระพิสุรูปหนึ่งเป็นพระโยคาวจรคือผู้ที่เจริญสมถวิปัสนา ในพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะท่านนั้นทำกาลกิริยาแล้วก็ไปเกิดในตระกูลเศรษฐีอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากในกรุงพาราสีก็เชื่อว่าเป็นคนที่สั่งสมบุญไว้เป็นอย่างดีแต่ว่ากิเลสก็คือกิเลสนะนะเขากลายเป็นคนมีราคะเพราะเหตุนั้นจึงประพฤติล่วงพิยาของคนอื่น ได้ถึงแก่กรรมในชาตินั้นแล้วก็เกิดในนรกนยังกับบ้านเก่างั้นนะนะกับไปเยี่ยมเรื่อยอหลังจากหมกไหมอยู่ในนรกนั้นแล้วทพนจากนรกก็ถือปฏิสนธิเป็นหญิงในท้องของภริยาเศรษฐีด้วยเศรษฐกรรมคือวิบากที่เหลือก็คื อ, อเพศชายเพศหญิงมันก็เป็นสิ่งที่สลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปตามสมควรแก่ศีลเนี่ย ถ้าศีลดีก็เพศ ช, ชายถ้าศีลไม่ดีก็ชายก็แปลไปเป็นหญิงแต่เป็นหญิงแล้วยากที่จะกลับไปเป็นชายคืนเอาบอกทำไมอะ่ะก็เพราะมัวแต่ยินดีในเครื่องประดับเป็นต้นเหมาอนกัน <Yeah. S 1> นะ <Yeah. S 1> เราโมแต่ติดในเครื่องประดับติดในอะไรเลยล่ะ อ, อย่างก็เลยยากนะ <Yeah. S 1> เคยชอบไม่ใช่เลย <Yeah. S 1> ตอนนี้อใช่แบบนั้นเล <laughs> นี่พูดถึงด้วยเศษกรรมนั้นนะนะท่านก็ร่างกายท่านบอกว่าร่างกายของสัตว์ทั้งหลายที่มาจากนรกเนี่ยย่อมเป็นของร้อนท่านบอกว่าเป็นคนที่ตัวร้อนหรือปเปล่าไม่ทราบนี่อาจจะเข้าเขาท่านเนี่ยคือคือไม่รู้นะของมาในพื้นฐานบางความคิดเนี่ยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าคนอื่นเขาบอกว่าเขามีบุญเกิดมาจากที่ดีมาจากสวรรค์จากโน่นจากนี่ไง แต่เขามามีความรู้สึกลึกๆว่าเรามาจากนรกจริงเนี่ยนะว่าเพิ่งเหมือนกับว่าผ่านมาหยกๆเนี่ยนะเหมือนว่ามาไม่นานเท่าไหร่เหมือนกันอั้นเห็นภาพของสัตว์นรกนี่นึกโอยคนลุกเลยกลัวกลับไปอีกเัมอนันมีความรู้สึกแบบนั้นต้องทําบุญหนีก็เลยบอกว่าร่างกายของสัตว์ที่มาจากนรกเนี่ยตัวมันร้อนแต่สมัยใหม่เขาก็บอกว่านนทีกรดมันออกมากอะไรก็ว่าไป เพราะฉะนั้นพระยาเศรษฐีคนนี้พอตั้งแต่มีคันเนี่ยนะท้องก็ร้อนบริหารคันโดยยากลำบากยากเนยากเข็นแล้วก็ได้คลอดเด็กหญิงโดยการนะแม่ตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องแม่นี่เดือดร้อนตลอดเลยนะท้องท้องร้อนมากนะร้อนผิดปกติว่างั้นจำเดิมแต่วันที่นางเกิดมาเป็นที่เกลียดชังของมารดาบิดา กรรมประเภทการเมสุเมชชาจารย์นี้จะเป็นอย่างนั้นพราพราคลอดออกมาแล้วพ่อแม่ไม่ชอบขี้หน้าเลยะนะและพวกบริวารชนที่เหลือก็เหมือนกันทุกคนคือเกลียดโดยไม่มีเหตุผลเป็นที่ตั้งแห่งรังเกียจโดยไม่มีเหตุผลทําไมเพราะมันสมแก่กรรมคือกรรมประเภทนี้เนี่ยน ะ, ะถามว่าบุตรภริยาครอบครัวเป็นต้นเขาพอใจไหมที่คนไปทําเช่นนั้นนะนะ เป็นที่เกลียดชังตั้งแต่ตอนทำกรรมฉันใดเวลากรรมให้ผลก็เป็นที่เกลียดชังของแม้ทั้งๆพ่อแม่ปกติรักลูกอยู่แล้วแต่ลูกคนนี้พ่อแม่กลับไม่รักเนี่ยนะลูกสาวคนนี้พ่อแม่ไม่รักก็เพราะเศษกรรมที่เหลือพอเลี้ยงดูเจริญวัยเติบโตมารดาบิดาก็ยกให้ตระกูลใดตระกูลหนึ่งพอแต่งงานมีสามีก็และเป็นที่เกลียดชังของสามีอีกผัวก็ไม่รักนะน อาจจะแต่งด้วยเหตุผลหลายอย่างแต่ว่าผัวไม่รักพ่อแม่ผัวก็เกลียดชังในตระกูลแม้นั้นครั้นเขาปราศัยนักสักการกหมายว่าได้เวลามีงานมหรสพมีสวนสนุกเป็นต้นเนี่ยนะบุตรเศรษฐีก็ไม่ปรารถนาเพื่อจะเล่นกับธีดาของเศรษฐีนั้นแปลว่าผัวสามีเนี่ยไม่รักตัวอยู่แล้วถ้ามีการมีงานจะชวนเมียไปเที่ยวไหมไม่เอาก็เลยไปหาจ้างหญิงแพทย์สยาสบายใจกว่าประมนั้ ก็เลยไม่ไปกับภริยาแล้วก็ไปเที่ยวเล่นตามตามไปหาคนที่ตัวเองชอบนะนางนั้นพอได้ฟังคำพูดอย่างนี้จากพวกทาสีคือทาสหญิงทั้งหลายก็เลยเข้าไปหาบุตรเศรษฐีไปพะค่อนพูดแบบคนน้อยอกน้อยใจด้วยประการต่างๆว่าข้าแต่ลูกเจ้าธรรมดาสตรีแม้ถ้าเป็นน้องสาวของพระราชาทั้งสิบพระองค์ก็ดีเป็น ที่ดาของพระเจ้าจากักรพรรดิก็ดีแม้ถึงอย่างนั้นก็เป็นผู้ทํางานรับใช้สามีเมื่อสามีไม่พูดจาไม่พูดเจรจาด้วยก็เสวยทุกข์ดุดถูก น, นะเหมือนถูกยกขึ้นสู่หลา่าเขาบอกว่ามีความทุกข์มาก น, นะที่สามีไม่พูดด้วยไปเที่ยวก็ไม่ชวนไปเนี่ยนะก็เลยพูดต่อไปว่าถ้าดิฉันควรแก่การอนุเคราะห์ก็ควรก็อนุเคราะห์ ถ้าสมควรที่จะเลี้ยงดูควรที่จะมีใจสงสารก็ขอให้สงสารถ้าไม่ควรแก่การสงสารก็ให้ทิ้งสเสถออน้อยใจมากอ่ะนะฉันจะกลับไปสู่ตระกูลของญาติบุตรเศรษฐีก็เลยกล่าวว่าช่างเถิดนางคนสวยอนอาจจะประชดนิดนิดแต่ะนะบอกเจ้าอย่ากโกรธเลยจงเตรียมการเล่นพวกเราจะเล่นนักษัต ก็พิจริงเนี่ยนางคนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญนะอดีตชาติเจริญสมถาวิปัสสนาเป็นพระภิกษุบวชมาอย่างดีนะแต่ว่าแม้พลาดไปพอพลาดมาแล้วหลังจากนั้นก็เศร้าอย่างเดียวทิดาเศรษฐีก็เกิดอุตสาหะด้วยเหตุสักว่าถ้อยคำปราศัยแม้ประการเพียงนั้นเนี่ยนะดีใจมากที่สามีพูดด้วยนะอนุญาตให้ไปเที่ยวด้วยก็ดีใจก็เลยคิดว่าพรุ่งนี้เราจะเล่นนกษัตแล้วก็จัดแจงของเคี้ยวของบริโภคจานวนมาก ในวันที่สองวันเที่ยวจริงเนี่ยนะวันวันแรกก็เข้าไปเที่ยวและไปจ้างหญิงแพทย์สยาไปเที่ยววันกลับมาบ้านพระยาก็ต่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปด้วยกันก็นแล้วกันพอวันที่สองบุตรเศรษฐีก็ไม่บอกเลยไปคนเดียวอีกเนี่ยนะเพราะวันก่อนก็ไปคนเดียวไปหาพวกเอาข้างหน้าวันนี้ก็ไม่ชวนนางไปอีกนางก็เลยคิดว่าจากส่งไปในบัตรนี้นะใจนี้ก็เดี๋ยวก็สามีมารับไปเดี๋ยวก็สามีมารับไป นั่งแลดูทางอยู่นั่นแหละจนจนตะวันสายก็เลยส่งคนทั้งหลายไปไปถามดูว่าบุตรเศรษฐีเป็นยังไงช้าจังคนเหล่านั้นก็กลับมาบอกว่าบุตรเศรษฐีไปเรียบร้อยแลว้วนางก็เลยถือเอาของเคี้ยวของบริโภคกันนะที่ตเตรียมนั้นทั้งหมดขึ้นสู่ยานปรารบไปเพื่อจะไปอุทยานบอกเขาไม่ให้เราไปเราก็ไปคนเดียวก็ได้อย่างนน ลำดับนั้นพระปเจกพระพุทธเจ้าที่เงื้มนันทามูลกะออกจากนิโรสมาบัติในวันที่7ล้างหน้าที่สานโนดาดเคียวไม้สีวันนาคลดาเนึกอยู่ว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวเพียกษานะที่ไหนเห็นทิดาเศรษฐีนั้นก็รู้ว่าทิดาเศรษฐีคนนี้ทำสักการะในเรากรรมนั้นจกถึงความหมดสิ้นไปเนี่ยนะเศษกรรมที่ไปล่วงกาเมจะหมดแล้วถ้าเราไปสงเคราะห์นาง ท่านก็ไปยืนที่พื้นมโนศิลากว้าง60สิบโยตที่ใกล้เงื้มนั้นนุ่งถือบาดจีวรเข้าฌานแล้วก็อาศัยฌานเมียพิญญาเป็นบาดก็เหาะลงมาที่สวนนั น, นนะทางของธิดาของเศรษฐีนั้นก็เดินสวนทางมานะบุตรธิดาทิดาเศรษฐีนั้นก็มุ่งหน้าไปในกรุงพาราณสีพระประเจกเนี่ยเดินมุ่งหน้าไปสู่กรุงพาราณสี นางทาสีทั้งหลายเห็นพระประเจกับพุทธเจ้านั้นแล้วก็บอกแก่ทิดาเศรษฐีนางเห็นพระประเจกับพุทธเจ้านั้นแล้วก็ลงจากยานไหว้โดยเคารพอุปนิสัยความที่อดีตชาติเคยเป็นนักบวชพอเห็นแล้วก็มีศรัทธาเลื่อมใสก้มลงกราบไหว้โดยใจเคารพรับบาตให้เต็มด้วยขาชนิยะโภชนิยอาหารที่ถึงพร้อมด้วยรถทั้งปวงนั่นกระว่าอาหารที่เตรียมมาที่จะไปทานกับสามีเนี่ย ท, ทําบุญหมดเลย พอทำบุญเสร็จก็ปิดด้วยดอกประทุมเอาดอกบัวนี่วางไว้ข้างบนทำดอกปทุมไว้ใต้บาดอ่ข้างบนก็เป็นดอกบัวข้างล่างก็เป็นดอกบัวถือการรดอกไม้เข้าไปหาพระประเจกพระพุทธเจ้าถวายบาทที่มือของท่านไหว้แล้วก็ถือเอากรรมดอกไม้ตั้งความปรารถนาว่าถ้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันเกิดในที่ใดๆก็ขอให้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของมหาชนในชาตินั้น เหมือนดอกไม้นี้เถิดเนี่ยนะเหมือนดอกไม้ดอกไม้เป็นที่รักเป็นที่พอใจใช่ไหมพอเกิดมาชาตินี้เขาพูดแบบภาษาชาวบ้านว่าคนอาภาพรักนะนะพราะพ่อแม่ในรังเกียร์ตั้งกันเล็กกันน้อยคนรอบข้างเกลียดไปอยู่สามีสามีก็ไม่ชอบเป็นที่เกลียดชังของชนหรือเกินเลยนะต่อไปเกิดหนะ้าที่ใดๆก็ขอให้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของมหาชนพอตั้งความปรารถนาอย่างนี้แล้วก็ปรารถนาเป็นข้อที่สองต่อไปอีกว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญการอยู่ในคันเนี่ยมันเป็นทุกข์การเกิดในท้องเนี่ยมันทุกข์เหมือนั้นขอพึงปฏิสนธิในดอกประทุมเท่านั้นถ้าคลอดออกมาก็ขอให้คลอดจากดอกบัวโดยไม่ต้องอาศัยคันไม่ต้องอยู่ในท้องเกิดอีกแล้วก็ตั้งความปรารถนาเป็นครั้งที่สามต่อไปว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญมาตุคามคือผู้หญิงทั้งหลาย อันมหาชนพึงรังเกียจแม้เป็นที่ดาของพระเจ้าจากักรพรรดิก็ยังต้องไปสู่อำนาจของบุรุษเพราะฉะนั้นขอดิฉันอย่ากถึงความเป็นสตรีพึงเป็นบุรุษเถิดขอกลับไปเป็นชายตามเก่าเธอว่า ง, งั้นเข็ดแล้วครั้งเดียวก็พอแล้วว่า ง, งั้นแม้ครั้งที่สี่ก็ตั้งความปรารถนาต่อไปว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอดิฉันพึงก้าวล่วงสังสารทุกนี้ แล้วก็บรรุพระอรหันตอันเป็นอมตะที่ท่านได้บรรลุแล้วในที่สุดเถิดก็แปลว่าขอให้ได้บรรุเหมือนอย่างที่ท่านบรรุครั้นทําความปรารถนาสี่อย่างนี้แล้วก็เอากำดอกปรทุมบูชาพระประเจกพระพุทธเจ้าไหว้ด้วยเบญจังคประดิษฐ์ก็คือกราบแล้วก็ทําความปรารถนาในครั้งที่5ว่าขอดิฉันจงมีกลิ่นและมีสีเช่นกับดอกปทุมคือดอกบัวนั้นเถิดเนี่ยนะให้มีสวยเหมือนดอกบัวว่างั้น ลำดับนั้นพระประเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รับบารแล้วก็กาดอกไม้แล้วก็ยืนในอากาศน่นะแนะนะหมออนุโมทนานี่หมันน่าชื่นใจนะแล้วก็อนุโมทนาแสดงความยินดีกับทิดาของเศรษฐีด้วยคาถาว่าอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชโตสพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนารโสยธ า, านนนะ ขอสิ่งที่ท่านต้องการขอสิ่งที่ท่านปรารถนาจงสาเร็จแก่ท่านโดยเร็วพลันเถิดขอความดําริทั้งปวงจงเต็มความปรารถนาจงเต็มเปี่ยมเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญพระจันทร์ในวันเพ็ญไม่พร่องฉันใดความปรารถนาที่ท่านต้องการก็จงสมบูรณ์ฉันนั้นเถิดนะอธิฐานทั้งห้าอนะไม่ได้ขอมากเกินไปนะไม่เกินหรอกขอมากกันนั้นก็ไม่เกินของเราขอเป็นหน้า ตั้งความปรารถนาตั้งอัตตาสัมมาปณิทีเนี่ยนะก็เรียกว่าตั้งความอัตตาสัมมาปณิธิเหมือนกันเสร็จแล้วท่านก็อธิษฐานว่าขอธิดาของเศรษฐีจงเห็นเราผู้กําลังไปเถิดเสร็จแล้วท่านก็เหาะไปสู่เงื้อมนันทมูลกะณปีติใหญ่ก็ได้เกิดแก่ทิดาเศรษฐีเพราะได้เห็นพระประเจ ก, กสัมพุทธเจ้านั้นอกุสุลกรรมที่ทําไว้ในระหว่างพพก็สิ้นไปเพราะไม่มีโอกาส ะบุญก็มาตัดรอนบุญก็เป็นอุปปีและกระก ร, รมเบียดอกุศสลกรรมเก่าทิ้งไปนางเป็นผู้บริสุทธิ์ดุดภาชนะทองแดงที่ขัดด้วยมะขามเปรี้ยวแสดงว่าเป็นสะอาดมากเลยนะทันใดนั้นชนทั้งหมดในตระกูลผัวตระกูลญาติทุกคนก็มีใจยินดีต่อนางเกิดนึกรักอะไรขึ้นมาไม่ทราบเหงนกันเถอะปกติก็เป็นที่เกลียดชังวันนี้เกิดทิศวัดนึกรักขึ้นมาใครก็คิดถึงต่างก็คิดว่าเราจะทาอะไร แล้วก็ส่งคำที่น่ารักนะทุกคนเนี่ยใช่คำเขียนฝากรักเต็มไปหมดส่งเครื่องบรรณาการไปให้มีของฝากเต็มเลยแม้กระทั่งบุตรเศรษฐีผู้สามีก็ได้ส่งคนทั้งหลายไปว่าขอท่านทั้งหลายจงนำทิดาเศรษฐีมาเร็วๆเพราะระลึกได้พึ่งนึกได้นะว่ารับปากรับคำพริยาวถ้าไม่ทำบุญนนางอดแน่ให้คิดดูดีๆนะว่าใครที่มีผู้ที่เขารักเขาพอใจเขายังชอบใจอยู่แสดงว่า ผลบุญยังอุปธรรมอยู่ถ้าหมดบุญเมื่อไหร่ก็มีใครสนใจรอกนลยนะเพราะนั้นะนะเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่ยินดีของชนอื่นก็เพราะบุญเก่าเป็นคอยอุปธรรมเอาไว้ถ้าหากว่าหมดบุญเมื่อไหร่เนี่ยนะพร้อมที่จะหมดสภาพเหมือนกันพร้อมที่จะเป็นที่เกลียดชังของชนทั้งหลาย <c oughs> เพราะฉะนั้นบทเศรษฐีก็เลยก็บอกว่าพอระลึกได้อย่างนั้นนะจําเดิมแต่นั้นบุตรเศรษฐีก็รักนางปกครองนาง ดุดจันท์ที่รูปไหลที่อกดุดมุกดาที่ห้อยเอาไว้แล้วก็ดุดระเบียบดอกไม้รักมากเลยนะเขาบอกว่าเหมือนจันทร์ที่รูปที่ไหลที่อกเนี่ยก็เหมือนรักเหมือนอะไรที่มันประดับคออย่างนั้นแหละเหมือนอะไรที่มันห้อยคอรักห่วงแหนทนุถนอมมากอว่างนั้นนางก็ดำรงอยู่ในชาตินั้นสเสวยอิสริยสุขและพกขสุขตลอดอายุแล้วคือจริงๆนางก็มีบุญเก่านะอดีตชาติก็ทําบุญเยอะแล้วชาติปัจจุบันก็ทกําบุญกลับ พระประเจกพระพุทธเจ้าผู้เป็นพารหันออกจากนิโรธสมาบัติก็เลยถือว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขมากเพราะผลบุญเนี่ยนะท่านบอกว่าผลบุญเนี่ยเวลาให้ผลต้อนรับเชื้อเชิญเหมือนยากเหมือนยาิที่จากปไปไกลคิดถึงได้พบกันฉะนั้นเนี่ยนะเวลาบุญมันให้ผลฉะนั้นเนี่ยนะ